ขอความสุขความเจริญจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายสิ่งทำจากมหามิทยาลัยสีปทุมประจมจันน้จะพูดเรื่องพระพุทธศาสนากับสถานการณ์ปัจจุบันสถานการณ์ปฏิบันในแง่ของความจริงก็คือเรื่องธรรมชาติกับสังคมเป็นเรื่องใหญ่ แล้วก็เป็นเช้นนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรพอาเรามองโลกในแง่ของอาริยสัตว์ทั้งสี่ก็จะเห็นว่าทุกษ์นั้นเป็นสภาพธรรมชาติธรรมดาที่มีอยู่เป็นอยู่โดยเงื่อนไขของธรมรมชาติก็ได้แก่กลุ่มของทุกษะในประการหนึ่งก็เป็นเรื่องสังคม จุบุคลณภายในสังคมแสดงอาการของกิเลสกับอาการของธรรมะออกมาพอแสดงอาการของกิเลสก็จะนําความเดือดร้อนมาสู่ตันเองและบุคคลอื่นแต่ามากหรือน้อยก็เป็นรายละเอียดเฉพาะการณีกรณีไปแะแน่นอนที่สุดก็คือความเดือดร้อนเพิ่ขึ้นและในกรณีที่มันเป็นธรรมะ ก็จะเกิดความสุขความสงบความเยือกเย็ยนเกิดขึ้นตามลำดับมากน้อยก็เป็นรายละเอียดเพราะมันเกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคลภายในสังคมแต่ละคนคือหมายความว่าคนทุกคนภายในสังคมมีส่วนอย่างสําคัญในการสร้างปัญหาหรือการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ในสังคม พวอเรานี้รมองในในมุมของของปัญหาเราจะพบว่ า, าทุกข์สัตย์ก็เหมือนกับสภาพปัญหาที่ปรากฏออกมาในรูปแบบต่างๆเป็นปรากฏการณ์ของธรรมชาติล้วนๆแล้วก็ผสมกับการกระทำของบุคคลภายในสังคมเช่นภาวะโลกร้อนอย่างที่วิตกกังวลกันอยู่ แล้วก็ภัยธรรมชาติที่ปรากฏอยู่ในส่วนต่างๆของโลกในขณะเดียวกันการสร้างสารรพัฒนาสิ่งดีงามคือบรรเทาปัญหาลดปัญหาจนถึงกระดับปัญหาในบางกรณีก็ เ, เป็นปารกิจิร่วมกันของบุคคลภายในสังคมแล้วเอาเข้จริงแล้วคนในสังคมก็คือคน ความแตกต่างในหมู่คนนั้นเป็นนิรันด์คือไม่มีทางที่เราจะทำให้คนเสมอกันได้จะทำได้ก็เพียงความฝันในเรื่องศาสนาประสีอานที่ว่าคนมีรูปร่างหน้าตาเหมือนกันพอออกจากบ้านไปแล้วก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครถ้าสังคมเป็นอย่างนั้นจริงๆมันก็สับสน มันเป็นไปนไม่ได้เพราะว่าคนนั้นเป็นผลของกรรมที่แต่ละคนทําไว้รายละเอียดของกรรมที่คนทําแม้แต่กรรมเรื่องเดียวกันก็มีรายละเอียดที่ยิ่งย้อนไม่เหมือนกันกรรมในตัวจะแยกแบ่งแยกให้คนเลวและประนีตกต่างกันเพราความแตกต่างจึงเป็นเรื่องนิรันด์เร่นงเดียวกับความแตกต่าง ปัญหาทำทอยางไรว่าเราจะบริหารความแตกต่างเพื่อลดความขัดแย้งไปในสังคมซึ่งจะงสถานการณ์ในปัจจุบันี้เราอาจจะพูดได้ว่ามันค่อนข้างมีวิปิตการไปในสังคมและส่วนใหญ่ก็เป็นพฤติกรรมของบุคคลไปในสังคม พยายมสร้างปัญหาความขัดแย้งต่างๆในรูปแบบต่างๆให้บังเกิดขึ้นก็สืบแล้วว่าเป็นเรื่องผลประโยชน์ที่ขัดกันเพื่อได้ยินมีนักการเมืองเขาให้การคํานิยามคําว่ า, ควา ม, มาความหมายความหมายของคาว่าการเมืองนี่คืออะไรมีหลายคนบอกว่าบางคนก็ เป็นเรื่องของอำนาจบางคนบอกว่าเป็นเรื่องของผลประโยชน์บางคนก็บอกว่าเป็นเรื่องการจัดสรรผลประโยชน์ให้ลงตัวแต่มีคนคนหนึ่งคือพู้น่าชื่นชมบอกว่าการเมืองคือเรื่องของคุณธรรม แต่อ ว, ว่าคุณธรรมทางการเมืองเราก็เข้ากันไว่ถึงเราก็มักมีปัญหาที่มีความบกพร่องทางคุณธรรมของบุคคลภายในสังคมหมายความอย่างไงหมายความว่าคนส่วนมากนั้นจะถูกกํากับควบคุมด้วยอคุณศรธรรมในกลุ่มของสมทุทรทยศาสต ร, ร์ซึ่งสมทุทรยศาต ร, ร์นั้นเป็นเหตุแห่งทุก ในเมื่อพฤติกรรมของมนุษย์แสดงออกมาจากอำนาจของสมุทัยสัตว์มันก็ชอบที่จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาเป็นเรื่องธรรมดาเข้าไหมามันเป็นเรื่องของเหตุผลหมายความเหตุไม่ดีผลก็ไม่ดีแต่เราต้องการผลดีเราก็ต้องเปลี่ยนเป็นเหตุคืออริยมรรค อริยมรรคในแง่ของความจริงก็ครอบคลุมพฤติกรรมทั้งปวงที่เป็นบวกเอาไวของสังคมทั้งหมดในอริยมรรคเบืงปดประการ ว, ว่าเราจะพูดเรื่องอะไรก็ได้โดยสภาวะคือเนื้อหาเนี่ยมันก็อยู่ในอริยมรรคเแปประการนั่นแหละหรือแม้จะย่อเป็นไตรสิกขามันก็ได้แต่ปัญหาเวลนี้ว่า ไอ้คนที่ยอมทวนกระแสของกิเลสจนสามารถอย่างน้อยก็เรียกว่าบัญญัปัญรยังระ ง, งับยับยัง้งพลังของกิเลสไม่ครอบงำมากเกินไปเนี่ยมันมีคนทําได้น้อยก็ลองฟังรายการทางโทรทัศน์รายการทางโทรทัศน์เนี่เรารู้ว่าใครพูดแล้วก็หน้าตาก็กดพูดเป็นยังไง แล้วก็บอว่ามีความขัดแยง้งในเรื่องเดียวกันเองก็พูดแล้วก็ขัดแย้งกันบางข่าวเขาก็ชี้แจงตามเหตุผลตามความเป็นจริงบางข่าวก็มีลักษณะเขาเรียกว่าเต้าข่า ว, าวสร้างข่าวขึ้นมาแล้วก็ปรุงแต่งขึ้นมา เราทุกครั้งแล้วเราก็สงสารผู้รับผู้รับสารนะฮะ แ, แล้วคุณจะวินิจฉัยได้เลยหนังบันข่าวมีความขัดแย้งกันอยู่อย่างนี้ความเห็นมีความขัดแย้งกันอยู่อย่างนี้นีม่มันแสดงอาการวิกฤตประการหนึ่งที่เกิดขึ้นภายในสังคมคมันเป็นเรื่องใหม่ไหมมันก็ไม่ใช่เรื่องใหม่อะไร เราลองดูว่ามันเหมือนกับไฟไหม้เนี่ยพื้นที่เป็นแสนแสนไร่่างประเทศอย่างสหรัฐอเมริกาไม้ที่หนึ่งก็เป็นแสนแสนเอเคอร์แต่มันเริ่มด้วยจุดไฟเล็กๆแล้วก็ได้เชื้อเรื่องแล้วก็ลุกไม้ไปได้เรื่อยๆโดยไม่มีฝนตกอย่างแรงลงมา โดยเจ้าหนะ้าที่ในการดับเรือก็มีเครื่องไม้เครื่องมือน้อยมีอุปกรณ์น้อยสถานที่แหล่งน้ำก็ไกลเกินไปว่าจะขนน้ำลำเลียงมาได้ต้องอาศัยองค์ประกอบต่างๆเยอะมันปัญหาเหล่านั้นเราลองสังเกตว่าในประเทศอินเดียที่มันเกิดมหายุทธสงครามใหญ่สองครั้ง หนึ่งเรียกว่าหมาหภาลตยุทธ์ที่จริงมันรามายณะก่อนรามายณะเกิดขึ้นจากความรู้สึกขัดแย้งกันในเรื่องที่ผู้ชายสองคนไปรักใคร่ผู้หญิงคนเดียวกันพระรา น, นั้นไม่มีปัญหาเพราะว่าเป็นมเหสีของท่านท่านก็ต้องรักแต่ทศกัณนฐน์มีปัญหา เพราะไปรักพัญญาของคนอื่นจนถึงกับยื่แย้งเพื่อครอบครองเสียเองเรามองดูไม่น่าเชื่อเรื่องผู้ชายสองคนแย่งผู้หญิงคนเดียวกันเท่านั้นแต่ว่ามันกลายเป็นศึกสงครามล้างเผ่าพันธุ์ของวงยักษ์ในเกาะลังกาหมดแม้แต่พิเพ่ก็ยังไม่เหลืออยู่เลย ต้องถูกสอนตายสอนพระามตายเป็เเดียวกันทั้งเพราะอะไรก็รไม่ใี่อะไรก็คือรู้อำนาจแก่กามราคะที่มันเกิดขึ้ น, นภายในจิตใจพรลรามั่นก็รู้อำนาจแก่โทสะแล้ก็ได้นอนสังคมมนุษย์เนี่ยมันมีปัญหาเรื่องศักดิ์ศรี มันมีปัญหาเรื่องตระกูลวงอะไร ต, รต่างๆเข้าไปเกี่ยวข้องอยู่เยอะแม้รามจะไม่คิดแก้แค้นแต่ว่าพวกบริวารเขาก็ต้องมายอมพออยู่ในจุดที่ขึ้นแล้วลงไม่ค่อยได้ทดุ ก, กัณ์เองก็ลงไม่ได้ารามเองก็ลงไม่ได้จบด้วยกันทำลายล้างกัน เรื่องมหาพาลตยุทธไอ้จุดที่เริ่มต้นเนี่ยจริงๆเป็นเรื่องเล่นการพนันแข่งกันแข่งกันไปแข่งกันมาไอ้ฝ่ายหนึ่งก็เล่นโกงไอ้ฝ่ายหนึ่งก็ซื้อไอพผ่นนันพลังเมืองนะเล่นการพนันพนันเมืองแ้วฝ่ายใดแพ้ก็ต้องเปลี่ยน ผู้ปกครองแผ่นดินแต่โพี่แพนั้นจะ ต, ต้องไปอยู่ป่าส4ปี่ปีภูมิทายตระยอก็ได้ครอบครองสตินปุระพวกยุติสเถียนพวกอ ร, กกรชุนพวกนักุละอะไรต่างๆก็ต้องออกไปอยูป่ป่า รอมโดยประชนนีแล้วก็ม่เอสฉีต่างๆคนตายกันเป็นเมือไม่น่นาเชื่อคือแย่งอำนาจเพื่อคนกลุ่มเดียวแต่ว่าเอาคนมาตายทะเยอะทั้งสองฝ่ายนั่นแหละแล้วก็เป็นญาติกันด้วยกรรมญาติมันหายไปเพียงเพราะว่าผลประโยชน์มันขัดกัน ปัญหาเวลานี้ถ้าเราดูแล้วสถานการณ์ปัจจุบันเราอาจจะเรียกว่าเป็นวิกฤตการณ์ทางการแล้วก็มีการจงใจสร้างที่มีความต่อเนื่องยาวนานเป็นการต่อสู้ของกลุ่มบุคคลกลุ่มบุมคคลแนวอนุรักษนิยมกับกลุ่มแนวหัวก้วหน้า เราไยืมก็แนววัตถุนิยมกับจิตนิยมนั่นแหละไอ้สิ่งที่คนรุ่นใหม่เขามองเห็นว่าดีผู้กลุ่มผลประโยชน์เก่าวเขาก็มองเห็นว่าไม่ดีพอเล็กลงเขาสูญเสียโอกาสในขณะที่คนรุ่นใหม่เห็นว่ามันมีโอกาสมันเปิดสนามกว้างให้คนมีความก้าวหน้า แล้วก็ได้ใช้ความรู้ความสามารถของตนรับใช้ชาติบ้านเมืองก็มีความพอใจในที่สุดตรเนี้ยมันก็ขัดแย้งกันขัดแย้งกันตั้งแต่ตัวความเห็นว่าระบบการปกครองที่ถูกต้องนี่คืออะไรแต่และข่ายก็มีความเชื่อว่าสิ่งที่ตนคิดนี่คือความถูกต้อง แล้วคนนี้่งดูว่าถ้ามันเกิดเห็นความมีความเห็นแตกต่างแล้วไม่ใช่แก้แก้ง่ายนะแม้แต่สักสองสามประเด็นเนี่ยมันแก้ยากอย่างสงครามคอมมิวนิสต์กับประชาธิปไตยมันก็จายไปได้ทั่วโลกยูโลกอยู่ในภาวะสงครามเย็นนานก็เรียกว่าร่วมเก้าสิบปี ในปัจจุบันเองก็ยังคู่ครุ่นกันอยู่นะยังไม่เย็นสนิทอะไรหรอกนั่นคือปัญหาเครียวปัญหาอุดมการแต่ปัญหาอุดมการเนี่ยจริงมมาจากความเห็นเป็นอุดมการมันขัดกันอย่างในบุนโคลสูตรที่เทวดามากราบทุนถามพระพุทธเจ้า ว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายได้ผ่ากันคิดมงคลขอพระภูมมีพระภาคเจ้าตัดบอกมงคลแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายปัญหาเหล่านี้มันเกิดการตั้งประเด็นขึ้นมาว่าอะไรเรียกว่ามงคลมีคนหนึ่งเสนอความเห็นว่าสิ่งที่เราเห็นเป็นมงคลอีคนหนึ่งก็ค้านว่าไม่จริงหรอก เดี๋ถ้าสิ่งที่เราเห็นเป็นมงคลทุกอย่างก็ต้องเป็นมงคลแต่แง่ความเป็นจริงไม่ได้เป็นอย่างนั้นไอสิ่งที่เราเห็นบางทีมันก็ดีบางทีมันก็ไม่ดีเพราะฉันไปเห็นสิ่งไม่ดีข้ามมันก็เป็นอัปมงคลแล้วก็เสนอความเห็นใหม่กันตัวเองว่ามันไม่ใช่หรอกสิ่งที่เราได้ยินนั่นแหละเป็นมงคลอ้าวอีกฝ่ายหนก็ค้านอีกมันก็ไม่จริงทุกอย่างเพราะว่าสิ่งที่เราได้ยินนั้นดีก็มีไม่ดีก็มี ถ้าเรื่องดีๆได้ยินแล้วเป็นมงคลก็ไม่ว่ากันแต่เรื่องไม่ดีจะว่าไงว่าเราจะเหมารวมไปเลยว่าสิ่งที่เราได้ยินเป็นมงคลเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เราอาจจะพูดว่าบางอย่างเป็นมงคลบางอย่างไม่เป็นมงคลพอควังได้แต่จ้าไปยืนยันโดยส่วนเดียวเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ คนคนหนก็เสนอความเห็นของตัว เ, เองว่าเรื่องที่เราทราบเราทราบก็คืออะไรก็คือกรินรสแล้วก็เย็นรสอ่อดแข็งเราถึงกรินรสเย็นรสอ่อนแข็งนะฮะหมายความว่าสิ่งที่เรารับรู้ด้วยจมูกด้วยลิ้นแล้วก็ด้วยกายเป็นมงคลมันเรียกว่าทราบก็มีคนค้านอีกอะ แต่ก็มีคนเชื่อเพราะในที่สุดมันเลยแบ่งออกเป็นสามกลุ่มทกเชียงก็อ ย, อยู่สิบสองปีหาข้อยุติไม่ได้ยังรู้จะเสด็จขึ้นมาในโลกแล้วก็เทวดาเหล่านั้นก็ยังเที่ยวสอบถามเรื่องมงคลไปอยู่ในส่สุดก็ตกล ง, งไปกระทุนถามท้าศกเทวราช ลาส ก, กะเทวราชท่านก็ตอบไม่ถูกหรอกท่านก็ถามว่าพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ไหนแล้วก็บอกอยู่ที่พระเชต ว, วันก็ก้ามาถามเราทําไมทําไมไม่ถามพระพุทธเจ้าว่ะรรู้ทุกสิทุกอย่างในความเป็นจริงรแล้วคนก็มากราบทุนถามพระพุทธเจ้าและเทวดาก็มากราบทุลถามพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็ทรงแสดงมงคลสามสิแปดประการแต่ทีนี้ก็ถามว่าไอ้มงคลสามสิบแปดประการเนี่ยคนเชื่อหมดทั้งโลกไหม ก็ไม่ครับและในหมู่ชาวพุทธเองนะบางทีก็ไม่ยอมรับนะักถือมง ค, คลบางประกันเพราะอะไรเพราะมันไปขัดแย้งกับผลประโยชน์ของตัวเองเย่นการดื่มน้าเมาการเกียรทคันทำการงานการปล่อยประละเลยทอดทิ้งการงานต่างๆนคนก็ไม่เคยชอบก็ว่ามันเป็นมง ค, คลเพราะว่า พวกเกียร์ช้างไม่ไจะมองอีกแบบเพราะนั้นเราเนี่ยเป็นปัญหาความขัดแยง้งมาจากของความเห็นเช่นยกตัวอย่างว่าเราเห็นขัดแย้งในเรื่องรัฐมาดูไม่ใช่ทุกมาตยศแต่ก็บางมาจยศเรื่องมันมีส่วนอย่างสําคัญในการบริหารประเทศชาติการแบ่งแยกอำนาจทำยังไงจะให้ชัดเจน แล้วไม่ให้อำนาจนั้นก้าวกายซึ่งกันและกันจนในที่สุดอำนาจแต่หนึ่งก็ครอบงําหมดทุกอำนาจคุณทําในผิดถูกไม่ว่าคุณว่าถูกว่าผิดก็ได้แต่ถ้าฉันว่าผิดคือผิดในที่สุดมักกลายเป็นพระเดชการหมู่แล้วก็แม้ในระบบการศึกษาระบบการศึกษามันต้องเปลี่ยน อะไรเพราะว่าคนจะหันมาศึกษาเรื่องกฎหมายกันนะเรียนนิติศาสตร์แล้วก็เรียนเนติบัณฑิตหากินทางกฎหมายกันในเรื่องอื่นไม่รู้วะไร่างประเทศแล้ก็เกิดมีปัญหาขึ้นเพราะฉะนั้น ป, ปัญหาเหล่านี้ปัญหาที่จะต้องทําความสงบแล้วค่อยค่อยคิดค่อยค่อยพูดค่อยค่อยคิด หาทางออกให้เกิดกัรเปี่ยนอย่างนี้ก็ยกตัวอย่างให้ฟังว่าการศึกษาเรื่องพระพุทธศาสนาเนี่ยเราจะต้องมีความชัดเจนในสมด้านด้านหนึ่งก็คือปัญหาทางประวัติศาสตร์เราต้องชัดเจนในคําว่าประวัติศาสตร์ซึ่งมีเศรษฐกิจมีสังคมมีการเมืองมีการศาสนามีการศึกษา มีการกีฬามีอะไร ต, รต่างๆเยอะแยไปหมดเลยเราต้องเข้าใจประวัติศาสตร์ที่เราลองสังเกตว่าพอมีการณีเรื่องข่าวบริหารเราก็ยุ่มเรื่องประวัติศาสตร์แล้วหรือเราต้องเข้าใจว่าวัฒนธรรมนั้นไม่มีดินแดนไม่มีเขตแดนแต่วรัฐเนี่ยมันมีเขตแดน เรียโบน า, าพาแผ่งดินแดนที่ถูกต้องสมบูรณ์เนี่ยเขาเรียกว่าโบนาพาแผ่งดินแดนเพราใครก็ของคนนั้นทีนี้เมื่อเปลี่ยนแปลงไปได้เหตุอย่างไงอย่างหนึ่งแล้วก็ลงตกลงกันว่าเป็นอย่างนั้นก็คือเป็นอย่างนั้นไอ้นี่จริงจริงมันเป็นเรื่องสมมุติแต่วัานธรรมมันไม่แปลกมันไม่มีดินแดนแต่วัฒนธรทางอาหารวัตนธรรมทางภาษาวัฒนธรรมทางตัวเลขอะไรนี่ เราใช้เลขอารั บ, บิกกันทั่วโลกเลยมันไม่ได้ถูกจํากัดด้วยพื้นที่วมฒนธรรมทั้งหลายที่เรารับมาจากฝรั่งก็เยอะจากจีนก็เยอะจากอินเดียก็เยอะอินเดียก็มีที่จีนก็มีที่ฝรั่งก็มีแล้วก็ในอาเซียนด้วยกันเนี่ยมันก็มีวัฒนธรรมเยอะๆอีอย่างเดียวกันก็มีเยอะนั่นแสดงว่าวัฒนธรรมไม่ถูกจํากัด ด้วยพื้นที่ขอบข่ายวัฒนธรทางวัตถุทาอย่างภาษาเขาก็วิหารเนี่ยวัฒนธรทางวัตถุทำในประเทศไทยก็มีอยในยกัมพก็มีแล้วก็ในที่อื่นก็มีเพียงแต่ว่ามีมากหรือมีน้อยมันจะแตกต่างกันในเชิงสถาปัตยกรรมก็เป็นสายเป็นสายที่ศึกษาเรียนรู้กันมา แลความพอใจของบุคคลในสถานที่เหล่านั้น ต, ต่อถึงวัตถุประสงค์เป็นต้นเพราะถ้าเราเข้าใจในเรื่องเหล่านี้เข้าใจในเชิงที่เป็นวัฒนธรรมด้วยแล้วมองในมุมของวัฒนธรรมมองในมุมของอมิตรประเทศมองในมุมของอสิทธิเสรีภาพาของการรายกา ร, ราเป็เ น, ต น, นต้นแทนที่จะเกณฑ์ตัวในตัวหนึ่งอย่างเดียว คือได้ฟังได้ฟงสารเ็าตัดสินอย่างที่บอกว่าฟังมาสองสามเรื่องสี่เรื่องไงนะฮะแต่ว่าฟังไม่ตลอดฟังก็เห็นชั่วโมงไงนะบางฉบับเราก็เอามาอ่านด้วยแล้วก็มีความรู้สึกว่าเออเวลาการตัดสินเนี่ยไม่ใช่กฎหมายเป็นหลักไม่ได้มองในมิติเราอื่น นของพระพุทธศาสนาเนี่ยนันมีตักสินออกไปตั้งเจ็ดแปดางนะครับบางเร่งมันมองในแง่ของสังคมมองในแง่ของพระธัฒนาในมองในแง่ของพื้นฐานของคนเหล่านั้นมองในวุทฒิภาวะอะไรต่รางๆเนี่ยแล้วก็เปิดโอกาสอย่างอาบัติเนี่ยเ ร, เรดูตัวอย่างอาบัติที่จริงมันก็บทกฎหมายอะไร เออไม่ใช่ทุกครูพอต้องอาบัตเราต้องสึกมียเพียงสี่เรื่องนกั น, นที่ต้องสึกนั้นก็มีโทษลดหลังนกันลงมาเปิดโอกาสให้ปรับปรุงตัวเองแก้ไขตัวเองพัฒนาตัวเองไปตามลำดับเพราะในการจะสร้างเอกภาพทางความคิดนีครับทางความคิดตามหลักการวิธีการ ตัวหลักมันจะต้องสอดคล้องกันสิก่อนยังเราดูตัวอย่างอวาตปาติโมมันมีอุดมการมีหลักการมีวิธีการมีปฏิบัติการแล้วก็มีประสิทธิการหมายความมาจากเป้าหมายสูงสุดแล้วก็ผ่านกระบวนการศึกษากระบวนการปฏิบัติมาเรื่อยจนประสบความสำเร็จแต่บัญญัติเรียกว่าประสิทธิการ ในความคือการกระทําที่ประสบความสําเร็จเรื่องอื่นก็มีลักษณะอย่าเดียวกันปัญหาเรื่องเศรษฐกิจอย่างที่บอกไว้เนี่ยคือเศรษฐกิจมันเป็นอย่างนี้แหละมนุษย์เนี่ยมนุษย์มีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจมีปัญหาเรื่องสังคมที่ไม่มีทางแก้ได้ร้อเปร็น เพราะอะไรเพราะว่าเราอยู่ด้วยความโลภุดหลงานั้นเศรษฐกิจจะเป็นปัญหาเรื่องความโลภคือความอยากได้อยากมีอยากเป็นของเรานั้นมันหาข้อยุติไปได้เมื่อว่าเมื่อ ไ, ไหร่จะพอเพราะบางครั้งบางคราวนเนีุ่ทสตรเจตนามันก็ดีนะที่เกิดขึ้นแต่ว่าต้องใช้จ่ายมากกระเถิ ถ้าไม่ใช้จ่ายมันก็ทํางานไม่ได้แต่ว่าใช้จ่ายจะจ้างเงินมาจากไหนแล้ว ก, ก็จำเป็นเรต้องการเงินมามันไม่ใช่เรื่องเฉพาะตัวคนแล้วมันเป็นเรื่ององค์กรเป็นเรื่องสถาบันต่างอย่างที่เขาจะสร้างอะไรสร่างที่ต่างรัฐสภา ปรากฏว่าเป็นสถานที่ราชพัสดุต้องเช่าโอ้ยอะไรราคาเป็นหมื่นๆมืล้านแล้วก็อยู่แค่สามส่าปีมันไม่ได้สมประโยชน์อะไรหรคือไม่อยังไงก็ต้องมีมันต้องมีที่ดินเป็นส่วนตัวของรัฐสภาเองลดค่าจช้จ่ายในส่วนนี้ลงไปแล้วก็บริเวณก็ต้องกว้าง สีซ้าห้าร้อยอะไรแต่ะเป็นอย่างน้อยเนี่ยเพราะว่าต้องออกไปต่างจังหวัดรอบนอกของกรุงเทพข้างในมันแพงเดียวนี้คิดจะกระจุกอยู่อย่างนี้มันก็ตามแก้ปัญหากันไม่มีที่สิ้นสุดหรอกเพราะเราคิดว่ากรุงเทพคือประเทศไทยลืมว่ากรุงเทพก็เป็นจังหวัดหนึ่งทันเด็ อาจะติปาจังหวะวันการมองสังคมมองเศรษฐกิจกทุกอย่างมันควรจะกระจายสังคมก็ไม่ควรจะกระจุกทุกอย่างมันต้องกระจายและสังคมจะต้องกระจายก่อนแล้วยืมันจะกระจายตามถ้าไปกระจุกตัวอยจะในที่ใดที่หนึ่งมันจะมีปัญหาความขับขั้งในด้านจราจรมันมีปัญหาเรื่องอากาศมันมีปัญหามลพิษ มันมีนปัญหาเรื่องความสะดวกแต่ไม่สบายเนะี่ยมันจะเกิดยเยอะๆรารเศรษฐกิจมันจะตกถูกกำกับด้วยคุณธรรมทางศาสนาคนต้องรู้จักพอรู้จักอิ่มรู้จักประมาณรู้จักพอดีพอประมาณพอควรพอใจอย่างที่ท่านกล่าวไว้ในอุตานทําว่า ความไม่พอใจจนเป็นคนเข็นพอแล้วเป็นเศรษฐีมหาศาลจนทังนอกทั้งในไม่ได้การจึงคิดอ่านแก้จนเป็นคนพอถ้าเราไม่รู้จักพอเราก็แก้ปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้ปัญหาสังคมปัญหาใหญ่นี่ที่จริงมันอยู่ที่อาจญา ก, กรรมอาจญา ก, กรรมมันก็ไปอื่นไปจากการผิดศีลห้า ต้ฟังลองนับดูที่มันมีอาชญา ก, กรรมอะไรที่นอกจากการผิดศีลห้าปัญหาใหญ่เวนี้คือความผิดในที่เกี่ยวกับชีวิตที่เกี่ยวกับทรัพย์ที่เกี่ยวกับเรื่องเพศที่เกี่ยวกับเรื่องการสื่อสารกล่าวหาโจมตีใส่ร้ายป้ายสีกันความคิดความเห็นของคนที่แสดงออกมาในกรณีที่มีความขัดแย้งไปเพิ่มเติมความขัดแย้งขึ้นมาอีก แล้วก็ลืมกฎเกณฑ์อย่าพูดถึงการเมืองมันก็ต้องพูดว่ารัฐมนูษว่าอย่างไงพูดถึงเศรษฐกิจเนี่ยเราก็มองเศรษฐกิจโลกเลยแล้วก็มองเศรษฐกิจในส่วนประเทศตลอดถึงในส่วนย่อยต่างๆในความยากจนเนี่ยมันมีสองประการ ความอยกจนหนึ่งคือขาดแคล น, นจริงๆทำยังไงก็ไม่พออยู่พอกินเดยกไม่พอทั้งอยู่ทั้งกินอันนี้ก็แนี่ยมนมีปัญห า, นาในฝักฝ้นทองแต่ทีนี้บางทีเนมันความเป็นความอยากจนคือมีความรู้สึกว่าตัวเองพร่องเองพร่องอยู่ตลอดร ะ, ระยะเวลาไม่รู้จะกินไม่รู้จกพอไม่รู้จะจุด ไม่สามารถทำใจให้สงบอยู่ด้วยคำ ว, ว่าพอคำ ว, ว่าอิ่มคำ ว, ว่าหยุดได้ถ้าอย่างนี้ก็จนจนอยู่ตลอดอย่างนี้น่นกล่าวไว้ในิุทันธรรมว่าความไม่มีใจจนเป็นคนข็นความไม่พอใจจนเป็นคนข็นพอแล้วเป็นเศรษฐีมาสารจนทั้งนอกทั้งในไม่ได้การจงคิดงานแก้จนเป็นคนพอคือต้องรู้สึกพอ แล้วปัญหาเหล่านี้ก็จะลดลง ป, ปัญหาของปฏิเิรินเราจะเห็นว่าหลักการพึ่งตัวเองเนี่ยเป็นหลักการที่สำคัญคนเราต้องเตือนตัวเองต้องรู้จักพึ่งตัวเองคือปัญหาเป็นอันมากที่เราเห็นชัดๆว่าถ้าแก้ตรงนี้เหมือนก็ทาได้ มาเป็นคนอยู่ต่างจังหวัดแล้วูุกรีกับสภาพทางสังคมต่างจังหวัดก็เรียกว่า น, นานพอสมควรแหละเพราะว่าเข้ามาอยู่กรุงเทพเนะอายุยี่สิบเจ็ดปีแล้วเราก็ได้พบเห็นว่าไอ้ที่จริงมันไม่น่าจนนะแล้หมุก่นในเรื่องอบายยมุกมื่อกับประมาณในการใช้ใจ่าย รัธนมยมสูงแต่รายได้ต่ำมนข ย, ยานในกิจการงานมีนาก็ทิ้งราง้างไว้เยอะเลยมีสวนก็ไม่ได้ปรับปรุงพืชชนิดต่างๆร้อยเทวดาเลี้ยงผลทุเรียนเป็นยังไงผลลังศาสตร์เป็นยังไงมังคุดเป็นยังไงปู่ย่าตายายปลูกอะไรไปให้ก็คอยสอยคอยเกี่ยวคอยเกี่ยว ไม่ได้มีการพัฒนาปรปับปรุงอะไรพื้นที่ควรจะได้ผลประโยชน์จากพืชไร่พืชสวนเช่จนจนวนหนึ่งไร่เด็กควรจะได้เท่าไรมันก็ได้ทางนั้นนี่ก็แสดงให้เห็นว่าเราไม่ได้ใช้ปัญญาในการในการพัฒนาอาชีพพัฒนาเศรษฐกิจแก่ตัวเองหรือว่าเืเช้าขึ้นมาเนี่ย กินกาแฟสุบุรีและทิ้งแดงข้าวไปเท่าไร่และะ้วก็บางคนแถมธุราไปตอนเย็นก็อีกฮะทั้งวงกวงเล่ากันเงินเดือนเท่าไหร่นันคือปัญหาเหล่านี้ที่จริงเราไม่ค่อยกล้าพูดกัน เพราะว่าพูดแล้วมันเสียคะแนนนักการเมืองเนี่พูดพูดเรื่องนี้แล้วก็เสียคะแนนคือคนที่เกียกรคคานเนี่ยไปว่าเขาเกียกรคคานไม่ได้เพราโกรธคนติดยานเนี่อย่าไปว่าก็ติดยาเพราโกรธเพราะมันก็กลายเป็นปัญหาขร า, าศาสนแล้วก็ตลอดถึงปัญหาทงญญางศาสนา เราลองสังเกตว่าพระพุทธศาสนามีประชากรนับถือเวลาเนี่ยห้าสิบเก้าล้านประจากรเรามีหกสิบสามล้านหกสิบสี่ล้านยังไม่ถึงเดียวแต่นับถือพุทธศาสนาถึงห้าสิบเก้าล้านในขณะเดียวกันมีพระราชบัญญัติคณะสงฆ์อยู่เพียงฉบับเดียว แล้วก็เอามาใช้บริหารเพียงไม่กี่มาตราในความเป็นจริงเนี่ยยังมีอีกเยอะที่ยังไม่ได้ใช้บริหารยา 18, อย่างม้าตาสิบแปดอย่างเี้ยมีกรอบใหญ่โตมโหฬารก็ยังไม่ได้นำมาใช้ในการบริหารเราจะมีพระราชบัญญัติอุปถรัรมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาก็ทำการกรมิตรเมียน บอกว่าทำประชาพิจารณ์คือมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับพระเกี่ยวกับวัดอ่ะแล้วชาวบ้านเอาไปทําประชาพิจารณ์ชาวบ้านจะเข้าใจเรื่องเหล่านั้นได้เรายังลืมว่าเรื่องที่เกี่ยวกับพระนี่มันมีพระธรรมวินัยเป็นกรอบใหญ่นะฮะคนไม้คนเขินเขียนให้รู้ยังไงก็ตามแต่ถ้าขัดแย้งกับพระธรรมวินัยเนี่ยเขาไม่เอาหรอก เพราะมุงทำลายความเป็นพระความเป็นพระถ้าถูกทำลายแล้วเนี่ยมันหมดสภาพอ่ะก็ต้องฉละสา ม, มนาเพศออกไป ก, ก่อนนก็ได้บรรยายอบรมประสังคาธติการเห็นว่าท่านอยู่ระดับเจ้าวาดเลยก็บอกท่านว่า มันต้องจะหนักเรื่องเรื่องเกี่ยวกันเงินเรื่องเกี่ยวกับศีลเพศตลอด้นพวกเกี่ยวกับสมณศักดิ์เรื่องการเงินเราอย่าลืมว่าเงินที่เขาถวายวัดเนี่ยคือเงินของวัดคือเรื่องเงินวัดอยู่ในสภาพตกงาไม่ไหลตกไฟไหนเรืการบริหารจัดการเรื่องากกาเงินของวัดเนี่ยต้องระมัดระวังเราจ่ายเงินของเราเพื่อวัดเนี่ย จ่ายไปเถ อ, อะเท่าไรก็ได้ไม่ว่าอะไรกัด้มูลวัดมาจ่ายเพื่อเราแม้แต่บาทเดียวก็ไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าพระจะ บ, บัญญัติีคุ้มครองอาบัติไม่ได้พระวิเนตรทนเองถึงคุ้มครองอาบัติได้ทีนี้เนี้เราเราหนักให้ความต่างขังที่กฎหมายกันเกินไปแล้วกฎหมายก็มีอิทธิพลจริงเหมือนกันนะ เขาเจนว่าพอเราไม่มีพระราชบัญญัติอุปธรรมคุ้มครองพระพุทธศาสนาปัญหาการเรียกร้องสิทธิตามกฎหมายเนี่ยมันไม่เกิดเพราะรัฐบุรุษเขียนไว้จริงแต่ว่าไม่มีตัวพระราชบัญญตัติไม่มีกฎหมายลูกไม่มีแสดงถึงวิธีการหลักการวิธีการปฏิบัติการในการ ประธานควมครองพระพุทธศาสนานี่ยทำยังไงแล้วใครเป็นผู้รับผิดชอบอะไรอะไรอย่างไรแล้วกเขาก็ติดโคงสร้างรูปแบบนายกมนตรีต้องเป็นประธานมีกินคึนกกียฉบับนายกมนตรีเป็นหมดแล้วนายกมนตรีก็ทยอยเข้าถยอยออกบางคนรู้เรื่องศาสนาบางคนไม่รู้เรื่องศาสนาเพราะเ่าพอหัวไม่สายเนี่ยหามันก็ไม่กระดิก ในสุดพอพอตั้งโครงสร้างขึ้นมาอย่างนั้นมันก็ก้าวไปไม่ได้แม้แต่ยกตัวอย่างพุนทธมณฑลพุทธมนฑนทําไมไม่ให้สมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานแล้วก็ให้มีอำนาจในการบริหารเป็นทีมนะฮะเป็นทีมในการบริหาร เราจ ะ, จ ะ, จ, ะจะเห็นว่าถ้าพระมีความรู้สึกว่าเป็นของวัดเนี่ยเป็นของพระศาสนาโดยตรงตพระที่มีบุญญาธิการมีบารมีมากการัาจะรับสร้างการประเรียนสักหลังหนึ่งตึกสักหลังหนึ่งโรงพยาบาลสักหลังหนึ่งอะไรต่งางๆแล้วก็มา่วมสูตรอยู่ที่พุทธมุนต แหล่งของการศึกษาการปฏิบัติการพัฒนาการเผยแพร่จนเป็นมหาวิทยายลัยพระพุทธศาสนาโลกเราก็ทําได้นะฮะเพราะว่าตอนนี้มันก็กลายเป็นที่ที่ประชุมของผู้โลกเป็ศูนย์กลางของผู้โลกก็อยู่ที่พุทธมนตรแต่พอพุทธมนตรอยู่ในมือข้าราชการเนี่ยมีแต่วันหยุดเยอะ งานการก็เสิงๆกระทำไปตามรูปแบบกางรัชการไม่มีจิตวิญญาณอะไรอ่ะคือคนมาอยู่ตรงนี้มันต้องมีศรัท ธ, ธาเสียสละแล้วก็สามัถคีมีระเบียบภายในที่จะดำเนินภารกิจเหล่านั้นให้เป็นไปได้ดีได้ปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาที่เราถือว่าสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างจะ มีปัญหาเอามากๆดิ ร, ระพุทธศาสนาเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับสถานการณ์เหล่านั้นอย่างไรเพราะการเรามองนะว่าธรรมะเนี่ย ม, มันเหมือนกับถ้าเราเทียบเหมือนกันน้ำนะมันเหมือนกันน้ำที่เราใช้หล่อเสาใช้เทพื้นใช้อะไรแต่อะไรต่างๆอี่เกี่ยวกับคอนกรีตทั้งหลายเนี่ย เราสมบูณก็เห็นว่าน้ามันเต็มแต่พอเทก็หล่อไปแล้วก็ไม่เห็นมีนม้ำอย่างอื่นยังเห็นอยู่แต่ว่าน้ามไม่เห็นคือน้าก็จะซึมอยู่ในที่นั้นถ้าหมดน้า ม, มันก็เป็นผุยคือกระเทาะแล้วก็กรอดบุญก็ร่วมลงมาเพราะน้าจะเป็นตัวรักษาทุกอย่างแต่ว่าคนไม่เห็นธรรมะจะมีลักษณะอย่างนี้ ธรรมะจะต้องเข้าไปแทรกดูทุกผลทุกแข่งในวิถีชีวิตวิถีสังคมธรรมชาติที่จริงมันก็เป็นธรรมะที่เป็นธรรมชาติสังคมก็คือการเคลื่อนไหวทางธรรมะเคลื่อนไหวไปตามกระแสของกิเลสหรือกระแสของอุปลธรรมมันก็กลายเป็นบาปเป็นบุญเป็นความสุขความทุกข์เป็นความเสื่อมความเจริญ แล้วเรื่อยไปจนถึงเป็นนรกเป็นโสะเพราะถ้าเรามองจากธรรมะเราจะพบว่ามันมีทางออกของมันสถานการณ์ทั้งหลายเนี่ยบทบาทของธรรมะไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในสถานการณ์เหล่านั้นมะพรามคนอาจจะรู้แต่ไม่คิดหรืออาจจะคิดแต่ก็ไม่ทำ หรือว่าทก็ทํำในการสุดตัวในขณะที่เป็นปัญหาสังคมไม่ใช่เป็นปัญหาของปฏิเจกชนจะเป็นปัญหาของสังคมเราก็ต้องมีด้วยกันธรรมะท่านยิ่งใช้ว่ามีจะมียริความบายต่อ บ, บาปมีโอตระปาความสะดุ้งกลัวต่อ บ, บาปมีสติคือความระลึกได้มีสัมปชัญญะคือความรู้ตัวหรือความช่ำชื่นเบิกบานที่มีอยู่ภายในใจ มันนุงใช้คำว่ามีหมดอ่พอมีเนี่ยถือโอกาสที่จะใช้มันใช้ได้มันก็มีสตางค์มีความรู้มีความสามารถมีความคิดถึงข่าวจะใช้อะใช้ได้มีแรงอย่างเงี้ยมีด้วแรงมันต้องมีก่อนเั้านั้นเนี่ยถึงจะทําได้ถ้าไม่มนนีเราก็ทําไม่ได้เวลาเนี้เราไม่ได้เล่นเรื่องความมีคุณธรรมหรือว่ามีธรรมะเป็นหลัก แต่ใช้ความเห็นของตัวเองยังจังความความเห็นของนักวิจ า, กการทั้งหลายเนี่ยคือเราเราไม่ค่อยพบว่าท่านอ้างหลักฐานอะท่าน้างหลักฐานแต่ผมเห็นว่าผมเชื่อว่าผมเข้าใจว่าผมถือว่าผมสรรนิฐานว่าผมอนุมานว่าอะไรอะไรทางผมเั้งนั้นเลยมีได้ผมเต็มไปหมด คุณไม่ใช่กะแล้วคุณไม่ใช่เกณฑ์คุณก็คือคนทำไมคุณไม่เอากฎเอเกณฑ์ล่ะเพราะอย่าลืมาถ้าเรามองธรรมะเป็นภาพรวมนะธรรมะก็คือกธทุกุมก็คือกธสมุทยก็คือกธมิโร ก, ก็คือกธมรรคก็คือกธแต่ต้องกรรมคือต้องมีการกระทำเพราะการปฏิบัติธรรมะคือการละชวดวและพฤ้นดินอีกมันเป็นกรรม และชั่วก็เป็นกุศลกรรมและพฤติดีก็เป็นกุศลกรรมทำชั่วก็เป็นอกุศลแกรรมและชั่วก็เป็นกุศลกรรมทำดีก็เป็นกุศลกรรมมันก็นำไปสู่นิโรธสัตว์แล้วก็นำไสู่การลดของสมุทัยสัตว์การลดของทุกขสัตว์ประเด็นตรงนี้จึงเป็นเรื่องที่น่าหมอ ง, งน่าศึกษามันไม่ใช่ปัญหาญาปากคอ แต่ว่าเป็นปัญหาที่ใกล้ชิดกับคนออกมากทีเดียวถ้าเราหันกลับมามองที่ธรรมะตรงนี้ธรรมะว่าว่ายังไงพระพุทธเจ้าว่าว่ายังไงว่าว่ายังไงว่าว่ายังไงเนี่ยปัญหาทุกอย่างจะมีทางออกเสมอต้องฟันทั้ ง, งหลายสียงธรมจากมาวาิทยาลัยศรีปทุมประจำวันจันนี้ขอยุตติไวด้วด้วยเวลาเพียงเท่านี้